146สี่สขณะนั้นไพรพฤกษ์แวดล้อมรอบกายสงัดเงียบไม่มีแม้แต่สัาสําเนียงของจักจันร์เรไรมันเงียบเงียบเหมือนกับว่าตัวหลอนเองอยู่ปลายของโลกร้างแม้จะมีกองอักคีที่ก่อไว้เป็นเพื่อนก็เพียงแค่ย่อมน้อยนิดเท่านั้นเสียงมันไร กล่าวต่อมาว่ามากุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไทศสัไปไฟรักลหลงไหลอยู่กับกระสับกรนุ่มผู้ครองคอนครเล็กๆต่ำต้อยโดยส<ะ>ักชนิดที่จะนำมาเปรียบทเทียบกันไม่ได้เลยราชอาณาจักรปัญจาละนั้นโดยแท้จริงแล้วก็คือ <ๆ S 2> ประเทศสรา ภายใต้ขันธ์ศีมาของนิทรานครอดีตที่ผ่านมานั้นสมัยที่ราชบิดาของอัคนิรุษยังเป็นเจ้าผู้ครองนครอยู่ก็เป็นเจ้าประเทศราทุกรอบครัวปีจะต้องทรงราชบรรณาการเข้ามาถวายสัต์ปฏิญานถวายความจงรักภักดีต่อกษัตริย์มหิธิเดชะ เยี่ยงอานาณิคมเป็นนครหนึ่งของการปกครองเยี่ยงสาราชาณาจักรซึ่งมีแว่งแคว้นอยู่ภายใต้ปกครองมากมายมิอาจจะนับได้บัญจาละนั่นเป็นเพียงแค่หนึ่งในบรรดาเครือสาราชาณาจักรของนิทรานครมเท่านั้นครั้งต่อมา เมื่อกษัตริย์สิงห์หุ่ละตะสิ้นพระชนม์ลงอคเนรุตซึ่งยามนั้นเป็นราชโอรสก็ขึ้นครองอาณาจักรเป็นกษัตริย์สืบแทนต่อราชบิดาผู้ถึงแก่การพิราลัยตามราชประเพณีนั้นเมื่อมีการถัดเปลี่ยนผู้ครองนครในเคือจักรภพผู้สืบทอดราชบัลลังก์องค์ใหม่ จากต้องเข้ามาถวายสัตปฏิยานตนไปท่าในขอบขันธสีมาสืบแทนต่อไปเพื่อเป็นการแสดงว่าจากย้อนตนอ่อนน้อมและอยู่ภายใต้อานัดของมหานครใหญ่อันเป็นอาณาจักรแม่เป็นจุดศูนย์กลางประธานแห่งเครือจักรพแต่การกลับเป็นตรงข้า อาคณิรุษดูเหมือนจะเตรียมการแข่งข้อไม่ยอมอ่อนน้อมต่อนิทรานครไว้ก่อนแล้วได้่วยโอกาสเมื่อบิดาตนสิ้นชีพลงและตนเองได้ขึ้นครองนครไม่ทรงราชบันนาการไม่เดินทางเข้ามาถวายตัวถวายสัต์ปิยานแต่ตรงข้ามปรับประกาศอิสรภาพ ไม่ขอรวมแววนแควนขึ้นตรงกับมหิทธิเดชะอันเป็นการกระทำที่อาหังตาเยี่ยงขบุขึ้นทั้งที่เป็นนครซึ่งปลีกย่อยเล็กเพียงน้อยนิดประชาชนพลเมืองและกำลังทหารก็เทียบไม่ได้แม้หนึ่งในสิบของมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นประธานอยู่ กษัตริย์มหิธิเดชะได้ส่งสารเตือนไปหลายครั้งเพื่อให้เข้ามาสวามิภักดิ์ะตามประเพณีแต่กษัตริย์นุมขนองผู้โอหังอักคณรุก็เพิกเฉยหาได้สนใจคำเตือนใดๆไม่วางเฉยแข็งเมืองและมีทีท่าว่าเตรียมพร้อมที่จะต่อต้านทำสงครามกับอาณาจักรใหญ่ทุกขนาด หากรุกล้ำเข้าไปโดยธนองอยู่ในหลักสี่ประการคือหนึ่งภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ห่างไกลชายแดนตั้งอยู่บนที่ราบสูงแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและช่องทางอันอับเป็นชัยยภูมิอันดียากที่ข้าศึกศัตรูใดจะบุกบุญาตราเข้าไปได้โดยงย 2. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์พัญยาหารที่จะเป็นเสบียงอย่างมากมาย 3. มีกองทัพม้าที่แข็งแกร่งชำนาญต่อการรบบนหลังม้าเป็นที่ปรากฏกิติศัพท์ไปทั่วและประการที่สี่อคนิรุธมีเจตนาปรารถนามานานแล้วที่จะแยกการปกครองออกไป โดยไม่ขึ้นกับใดทั้งสิต้องการให้ปัญจาละเป็นเอกรากเป็นไทยแก่ตัวเองดาริงสะดับฟังด้วยความตั้งใจและสนใจยิ่งเอาฝ่ามืออังไปที่กองไฟแล้วนำมาลูบใบหน้าอันเย็นเฉียบด้วยละอองไอ้น้ำค้างริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มน้อย นี่ทานของท่านกําลังสนุกเนี่ยมันไรแล้วก็น่าตื่นเต้นมากทีเดียวอะตอนนี้ก็สรุปว่าอัคนิรุธอันเดิมทีเป็นเจ้าชายแห่งประเทศราชของนิทรานครพอได้ครองราชก็แข็งข้อกับอาณาจักรใหญ่ประกาศอิสราภาพก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมากดขี่ได้ไม่ยอมเป็นข้าใครต้องการสิทธิเสรีภาพเอกภาพ แล้วก็ส ม, มภาพเหมือนือย่างทุกประเทศในโลกยุค ป, ปัจจุบันนี่แหละก็จัดว่าเป็นผู้นำที่ดีแล้วนี่แล้วยังไงต่อไปละ่ะเล่าต่อที่เมื่ออัคนิรุษรรแห่งบัญจาละแข็งเมือ ง, งองงาณาจักรใหญ่ก็ต้องส่งกำลังเข้ า, ขาปราบ อยากจะทายว่าหาทางชนะได้ยากใช่ไหมดารินกล่าวสวนมาทันทีพร้อมกับหัวเราะแผ่วเบามันไรเล่าความต่อไปโดยไม่สนใจกับคำผู้ชิงล้อเลียนเย้าเล่นของหล่อนองการประกาศิกจากไมหิติเดชะให้กองทัพในเครือสหาราช า, านาจาัก เคลื่อนกำลังเข้าทำการปราบตรามรับสั่งํำชับให้แม่ทัพผู้ถืออาญาศิษอันเป็นเจ้าประเทศราเอาเศียงของอัคคิรุษมาถวายภายในเจ็ดราตรีเป็นอย่างสูงกองทัพแล้วกองทัพหล่าที่พลัดเพรียนเข้าทำสงครามเพื่อยึดแคว้นปัญจาลักษ ปรากฏว่าแตกท้ายยับเยินมาทุกองทัพอธิราชผู้เป็นจอมทัพต่ละองค์แทนที่จะได้เศียรของอัคนีรุธกลับมาถวายกลายเป็นว่าได้เสียศีรษะของตนเองให้แกอัคนีรุธทุกทุกคนไปไม่ว่าจะเคยปรากฏว่ามีฝีมือรบเข้มแข็งสักเพียงใด ไม่ิทีเดชะทรงพระพิโรธแพ่อาเจียนออกมาเป็นโลหิตถึงกับสั่งให้กรีทาทัพใหญ่แห่งมหาอาณาจักรโดยมอบหมายให้อุปราชชัยสุริยาเป็นจอมทับบุกเข้าโจมตีในครั้งนั้นไม่เคยมีการศึกสงครามครั้งใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการทาศึก ระหว่างมหาอาณาจักรมิทรนครกับแคว้นเล็กๆที่เคยอยู่ในขันธ์สีมาหมากก่อนคือปัญจาละอันมีอัคคณิรุธเป็นจอมศึกฝ่ายตรงข้ามผู้บงการสมเด็จพระอนุชาอุปราชล้อมเมืองปัญจาละอยู่เป็นเวลาถึงสามสิบทิวาราตรี ก็ยังมิอาจเอาชนะบุกทะลวงเข้าไปได้ถูกรบยันถอยร่นแตกท้ายมาทุกคราหวังจะล้อมไว้เฉยๆก็ไม่ได้เพราะภายในนครปัญจาละอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเสบียงซ้ำยังมีกองโจรคอยลอบจู่โจมตีตัดกำลังเสียพรายพลและแม่ทัพนายกองไปเป็นจำนวนมาก นี่ก็แปลว่าศึกในครั้งนั้นน่ะมันใหญ่หลวงนะักระหว่างสิบต่อนหนึ่งก็ยังเอาชนะไม่ได้งั้นสิดารินสอดมาอีกยิ่งหัวเราะดังขึ้นด้วยอารมณ์สนุก <c oughs> แม้แต่ในชาติที่แล้วจนกระทั่งชาตินี้องค์มกุฎราชกุมารีแห่งนิทราคนคร ก็ยังเอาพระไทยช่วยชายคนรักเดิมอยู่มันไรติงพ่อมาโอ้ขออภัยขออภัยท่านราชปุโรหิตมันไรขอโทษเราลืมคิดไปว่าตัวเรานเป็นใครเออจริงสินะเราเป็นถึงมกุฎราชกุมารีราชธิดาองค์เดียวของกษัตริย์มาฮิติเดชะนี่ เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาใจไปฝักใฝ่กับศัตรูที่มันก่อการกำเริบคิดการแข่งข้ อ, อกระด้างกระเดื่องขึ้นนะเราควรช่วยพระราชบิดาของเราสิกดหัวมันพวกนั้นให้ลงไปเป็นเสมือนทาสตามเดิมเออและกิจรางขนางในครั้งนั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างละ่ะในระหว่างการสึกติดพันอะ่ะคราวนี้ดารินซ่อนยิม้ม แสงตล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังขึ้นมันไตรจึงเล่าความต่อไปว่าเมื่อการปราบขบฏแข็งเมืองได้ลุกลามไปเป็นสงครามใหญ่และอุปราชชัยสุริยะพระสุริยายังไม่สามารถผดด็จสศึกได้ในเวลาอันควรกลายเป็นศึกยืเยื้อติดพัน กองทัพหลวงแห่งนิทรานครนอันรวบรวมกำลังของทุกแคว้นแคว้นแน่นั้นโดยมี ก, กษัตริย์มหิิเดชะเป็นจอมศึกก็กรีธาแสนยานุภาพขึ้นไปสมทบเป็นกองทัพมหาศรรราลไพรพลหลายแสนพร้อมพรั่งไปด้วยทัพคจชสารและทัพม้าอนเนกอันตนนับมิท่วนหมายจะขยี้นครปัญจาละให้แหลกเป็นผุยผง ฟ้าพระบาทจิตรางคนาองค์มากราชกุมารีได้เสด็จไปในกองทัพหลวงด้วยเรานเรอะไปกับกองทัพหลวงด้วยดารินร้องเสียงสูงเบิกตากว้างพระเจ้าค่ะพระองค์เสด็จด้วยในครั้งนั้นแล้วเราจะไปสู้รบปรบมืออะไรกับกองทัพข้าศึก หรือการสงครามคราวนั้นด้วยแล้วเราก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจิตรางขนางขอใหพระองค์ทราบไว้นับบัดนี้ด้วยรพระองค์เองสมัยที่เป็นกิตรางขนางน่ะมิได้ดอยไปกว่าปัจจุบันาชาติในขณะนี้เลยพระองค์เป็นดารุณีผู้เลอโฉมก็จริง แต่ได้รับการฝึกปลือฝีประหัตในทางอาวุธทุกชนิดเป็นที่เลิศนักอยากจะหาสตรีในอาณาจักรใดเสมอเหมือนนอกจากสภอาวุธที่จะทรงใช้ได้อย่างชำนาญแล้ ว, ลวก็ยังทรงศึกษามาในทางยุทธวิธีกลศึกพิชัยสงครามครบถ้วนเสมือนหนึ่งขัตตยราชที่เป็นบุรุษเพพทุกประการ เพราะพระราชบิดาได้ทรงถููฝังไว้แล้วที่จะให้เป็นจักรพรรดินีในอนาคตโดยสถาปนาไว้ในตำแหน่งมกุฎราชกุมารีผู้รังบัญลังพระองค์เคยทรงขับรถศึกแข่งกับบรรดาเจ้าชายแห่งแวนแคว้นในคือจักรภพทั้งหลายในคราวยุทธกรีธาประจำปีโดยไม่มีผู้ใดสามารถที่จะขับตามได้ทัน แม้แต่อักขณิรุษเองซึ่งขณะนั้นยังเป็นเจ้าชายในเครือจักรภพแต่ครับพระบาทก็มิอาจทราบได้ว่าในยุทธกีธาประลองฝีประหัตในครั้งนั้นอักขณิรุธจะแ้งอ้อมฝีมือไว้เพื่อให้พระองค์เป็นผู้ชนะเลิศหรือไม่ คณิรุธนั้นมีฝีมือในเพลงหอกบนหลังม้าเป็นที่เรื่องลือมานานเพราะอยู่บนหลังม้ามาตั้งแต่วัยสามขวบทว่าในคราวประลองยุตยบนหลังม้าก็ถูกพระองค์ตีด้วยด้ามหอกพลัดล่วงลงมาจากอัศจรถึงแก่การพ่ายแพ้ไปธนูของอัคคณิรุธปักเป้าหมายอยู่ก่อนแล้ว มกุฎราชกุมารีจิตรานนาก็ยิงธนูซ้ำขมธนูฉีดอกธนูของอัคนิรุธแบะแยกออกเป็นสองซี่แล้วเสียบ ป, ปักเป้าแทนทีน่นี่คือเรื่องราวในยุทธกรีธาประลองฝีมือของกลุ่มซาราชาอาณาจักรสมัยเมื่ออัคนิรุธยังไม่ได้แข็งเมืองก่อการขบุดขึ้นฉนีแล้วไส จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าเมื่อการศึกสงครามเกิดขึ้นและเมื่อความจำเป็นขีดสุดมาถึงชไหนพระองค์จึงจะไม่ตามเสด็จพระราชบิดาไปด้วยเพระพระองค์ก็คือ น, นักรบมีฝีมือผู้หนึ่งว้ตายตายตายตายตายตา ย, ตายจริงดารินอุทานออกมาหน้าตาเฉยกลั้นหัวเราะไว้ แมสนุกจังเลยอะเล่าต่อไปสิมันไรโชคดีเหลือเกินที่เรามีโอกาสคุยความหลังกันในคืนนี้เนี่ยจิตรางคณางแต่เป็นที่น่าเสียดายนะพระองค์เสด็จติดตามพระราชบิดาไปในครั้งนั้นโดยแท้จริงแล้วหาได้ไปเพื่อมุ่งหมายที่จะทำศึก ช่วยพระราชบิดาให้เต็มฝีมือไหมหากแต่ไปในฐานะไส้สึกให้แก่ชายอันเป็นที่รักของพระองค์อ้าวคราวนี้ดารินอ้าปากค้างร้องลั่นออกมาจิงอยู่พระองค์มีความเป็ น, ปนห่วงส ม, สมเด็ดพระราชบิดา แต่ในขณะเดียวกันกันก็ไปห่วงขณนรุธพร้อมกันไปด้วยพระองค์ออกมาสรบเคียงข้างพระราชบีดาอยู่หลายครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็คอยส่งข่าวให้ขัิรุธทราบถึงกลุ่มสืบและเติร์ลนาบาของกองทัพฝ่ายธนคลให้อคณนรุธทราบล่วงหน้าอยู่หลายครั้งเช่นกันโดยเฉพาะ เมื่อเห็นว่าคนิรุจะเพี้ยนลำล้ำเราว่าเจ้ามดเท็ดกับเราเช่แล้วล่ะมันไรในเหตุการณ์นี้ใครจะเห็นคนอื่นดีกว่าบิดาของตัวเองได้แล้วเป็นไปไม่ได้ล่ะเจ้ามดเท็ดเรานี่ก็เป็นข้อพิสวง์ของมันไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ พระองค์ได้กระทำการเช่นนี้ไปอย่างแท้จริงแต่จะโดยตั้งพระทัยหรือไม่ก็ตามการได้เป็นไปในธรรมนองนั้นมันไรรู้ความดีและเฝ้าจับมองอยู่ทุกขนันนะแต่เปรียบเสมือนน้ำท่วมปากมิอาจที่จะกราบทูลต่อพระรจชบิดาของพระองค์ได้อย่างไรครั้งนั้น ราชปุโรหิตมันไรก็ตามเสด็จไปในกองทัพหลวงด้วยมันไรนะ่ะไม่ชำนาญในการรบไม่ชำนาญในสัรพอาวุธแต่มันไรก็แก่กล้าในสยเวทอาคมขลังแม้จะช่วยกษัตริย์มาหิธิเดชะในด้านกริทยาอาคมอย่างไรอัคเิรุ์ก็แก้คนตกไปได้หมด พระมกุฎราชกุมารีจิตรางคนางคอยส่งข่าวให้อัคนณรุษทราบถึงสายสนกลในทุกชนิดคอยบอกถึงวิธีแก้คนแก้เวทมนต์คาถาทาให้ ย, ยืดเยื้อยาวนานออกไปโดยไม่อาจยึดนครปัญจาละหรือทาให้อัคนณรุษปราชัยลงได้อย่างที่พระราชบิดาทรงหวังไว เอถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ชั่วชาเลวซามมากสิเนความรักความรักทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรักสมเด็จพระราชบิดาอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงมอบความเสน่หาให้แกอัคนิรุตอย่างนึง แต่ความรั ก, <แ>กทั้งสองประเภทนี้ไม่ไมอาจจะไปด้วยกันได้ประกอบกับขณะนั้นนะยังทรงเยาว<ห>วัยในด้านความคิดอ่านนักตลอดเวลามาก็ทรงพ ร, ร่มอ้อนวอนกราบทูลพระราชบิดาให้ยาศึกปลดปลอยนครปัญจาละให้เป็นอิสระ แต่พระราชบิดาก็มีทรงยินยอมพระองค์จึงจำเป็นต้องเสด็จมาในกองทัพเพื่อการศึกครั้งนี้ด้วยพระหัตต์จึงอยู่ช่วยพระราชบิดาแต่พระไทยกลับไปให้ความปรานีต่อศัตรูศึกครั้งนี้จึงเป็นความอัปยศยิ่ง มันไรไม่ได้ประนามพระองค์รอกแต่จะขอกล่าวความจริงไว้ให้ทราบอันการศึกสงครามนั้นต้องการความเชียบขาดเด็ดเดียวพระองค์ช่วยพระบิดาและพระปีตุลารบอย่างไม่ได้ทุ่มทั้งพระวรากายและพระไทยทั้งหมดมัวแต่ห่วงหน้าพระวงหลัง แล้วสงประมาทวางพระไว่ากองทัพนิทรานครน่ะยิ่งใหญ่นักมีริพลมากมายยากที่จะพลาดพลั้งได้จึงพยายามที่จะรบประวิงเวลาเพื่อช่วยชีวิตของอัคนิรุธไว้พระหนึ่งคนที่เหยียบเรือสองแทม มันไกรได้เคยตัดสินใจเข้าทูลบอ ก, บอกความแก่พระองค์เป็นการเฉพาะว่าให้ปรุงพระไทยเชียบขาดเลือกเอาข้างพระราชบิดาทถดแต่พระองค์ก็หาได้เชื่อฟังไม่แล้วก็กริ้วโกรธ ถ, ถึงกับชักพระหัสจะบันคอมันไกรในยุทธภูมินั้นก็ยังคืน แต่พระองค์ก็ทำอะไรมันไตรไม่ได้เพราะจิตตานุภาพของมันไตรเหนือกว่าครั้นแลว้ววาระอันสิ้นสุดของสงครามยืดเยื้อก็มาถึงแท้ที่จริงควรจะเป็นที่สิ้นสุดของอัคนิรุธและนครปัญจาล กลับกลายเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมหาอ า, า, าณาจักรนิทรานครโดยไม่ได้มีผู้ใดคาดฝันถึงมาก่อนแม้แต่มันไรเองอันจับได้ว่าเป็นผู้รู้จักดวงดาวทุกดวงในห้วงจักรวาลก็ยังเถอไลคิดการไปไม่ถึงตอนนั้นได้มีการประชุมวางแผงนกลลศึก เพื่อทำลายล้างนครปัญจาละและอัคนิรุธให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็วที่สุดโดยปรึกษาราชการสงครามทุกๆคนได้มาร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหล่าอาธิราชเจ้าน้อยใหญ่ตลอดจนขุนพลผู้ชำนาญยุทธทุกเขตแคว้นที่กรีธาทัพมาด้วยมีองค์ไมฮิติเดชะเป็นประธาน และอุปราชพระอนุชาชัยสุริยาเปรียบเสมือนประหัตเบื้องกว่าวาระนั้นมันใครก็ได้ร่วมอยู่ในการประชุมด้วยเพื่อวางแผนกลรสึกให้แตกหักในครั้งนั้นที่ประชุมมีความเห็นท้องกันว่ากำลังสำคัญที่สุดของฝ่ายอัคคณิรุธก็คือกองทัพม้าอันแข็งแกร่ง ว่าหาทางหลอกล่อให้อักนิรุธนำทัพมาทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ออกมาล้อมบทขยี้ทำลายลงเส้ได้ปัญจาละก็จะถึงแก่การพ่ายแพ้โดยง่ายจึงให้แบ่งกำลังออกเป็นสองฝ่ายอุปราชพระอนุชาจะรับหน้าที่เป็นทัพหน้าด้วยการจัดทัพให้ดูเหมือนทัพหลวง และทำทีเหมือนว่าจะเป็นกำลังคนส่วนใหญ่ทั้งหมดบุกบุเข้าประชิดรอบกำแพงเมืองทุกด้านประหนึ่งหมายจะทำสงครามแตกหักเพื่อบุกทะลวงเข้าไปในนครปัญจาละให้ได้และโดยเป็นความลับที่สุดให้แบ่งกำลังออกเป็นอีกสองส่วนใหญ่แอบซุ่มไพพลดักเรียงร้ายไว้ ในซอกุูเขารูปครึ่งวงพระจันทร์ภายใต้บัญชาการของมหิทธิเดชะอันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของฝ่ายปัญจาลที่จะต้องลุกไล่เข้ามาหากได้ทีหรือเป็นฝ่ายได้ปรีราตรีแห่งการประชุมขั้นสุดท้ายนั้นอุปราชพระอนุชาซึ่งมีความสงสัยในพฤติการของกิจราคณางอยู่ก่อนแล้ว ได้ขอพระบรมราชาอนุญาตจากสมเด็จพระเชษฐาขอให้มีการควบคุมองค์มากรราชกุมารีไว้ในทันทีมีให้มีอิสระหรือมีอำนาจวงการใดใดในกองทัพด้านใดทั้งสิ้นอีกทั้งจำกัดอาณาบริเวณชั่วขนาดจนกว่าจะเสร็จสึกโดยอ้างเหตุผลให้สมเด็จพระเชษฐาทราบว่า องคุตรราชกุมารีจะเป็นผู้ทำให้การศึกครั้งนั้นยืดเยื้อต่อไปไม่หู้จบสิ้นและมิอาจเอาชนะต่ออัคนิรุธได้เพราะมีพิรุธว่าน่าจะเอาพระไทยไปฝักไฟอยู่กับฝ่ายศัตรูประพุิธองค์เป็นเสมือนไส้ศึกแม้มิทางองค์แม้มิทางตรงก็ทางอค อุปราชชัยสุวิยากราบทุนต่อจอมกษัตริย์เช่นนั้นย่างเสียงต่อพระราชาญาอย่างยิ่งต่อหน้าที่ประชุมของขุนทัพจอมศึกคู่พระไทยโดยทั่วหน้าแม้มันไกลเองในขณะนั้นเมื่อได้ฟังก็ยังตะลึงงันไปมิอาจจะกล่าวคำใดได้เป็นความอาถรรพ์เฉียบขาดของอุปราชพระอนุชายิ่งนักเมื่อแรก ไมที่เดชะก็ถึงแก่การสะอึกอึพระสอแข็งเพราะมิได้ทรงเฉลียวพระไทยคิดในเรื่องนี้มา ก, ก่อนเลยแต่จอมกษัตริยานั้นก็มิได้ใช้แต่อารมณ์ภายหลังจากใครควรตามเหตุผลที่พระอนุชา ย, ยกขึ้นมากราบทูลถวายไปตามลำดับถึงพฤติการต่างๆที่ได้เกิดขึ้นระหว่างสงคราม ก็สง่อมอึ้งอยู่เป็นช้านานสีพระพักเครียดเคร่งหมองคล้ำลงในทันทีเมื่อหารือกับแม่ทัพขุนศึกที่ประชุมอยู่โดยพร้อมนั่งก็เป็นที่ประจักษ์ว่าหินพองต้องกันเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อหันมาทรงถามความเห็นมันไรมันไรก็ไม่อาจที่จะกราบทูลเช่นใดได้ แม้จะรู้อยู่เต็มอกจึงขอปัดให้เป็นการตัดสินพระไทยของจอมกษัตริย์องนักยามนั้นทุกผู้ที่ประชุมกันอยู่ก็ถึงแก่การตะลึงพังหไไัไ ป, ไปเมื่อมากุฎราชะกุมารีจิตราคนางผู้แอบฟังอยู่หลังม่านของกระโจมใหญ่อันเป็นที่ประชุมสเสด็จออกมาปรากฏกายเด่น พร้อมทั้งชัดพระแสงดาบออกจากฝักปีตรงไปที่อุปรา ช, ชัยสุริยาอันเป็นพระเจ้าอาเป็นที่โนกตกใจของบรรดาขุนศึกอธิราชเจ้าซึ่งร่วมประชุมอยู่ทุกผู้และมิทันที่พระเจ้าอาจะทันไหวพระวรากายปลายดาบอันแหลมคมจากจิตรางขนางก็จ่ออยู่ที่พระศอแล้วชัยสุริยาพระพักซีเพื่อ แต่จิตล้างคนางมีพระพักอันแดงต่ำไปด้วยโทรสักในที่ประชุมเงียบกริบ ม, มีมีผู้ใดบังอัดกระดิกกายได้เลยในขณะนั้นจะมีก็แต่สมเด็จพระบิดาเท่านั้นที่ตะวาดขึ้นกึกก้องด้วยน้ำพระสีงเฉียบขาดพระราชธิดาผูอ้อาคงจึงส่งชนะ ด้วยเคารพรักยังเกรงต่อสมเด็จพระราชมิดาอยู่ล้นพลนรับสั่งอันเป็นปกาศสิ่ต่อมาก็คือให้พระราชธิดาวางพระแสงดาลงซึ่งจิตราคนะงก็จำต้องวางและโดยทันใดก็ถูกองค์การสั่งให้ทหารเข้าควบคุมองค์ทันทีมกุฎราชากุ ม, รม า, ร, า, ามรีถูกจับปลดอาวุธ และควบคุมองคไวอย่างฉับพลันโดยไม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระได้ชั่วระยะเวลานมีกองทหารควบคุมอย่างเข้มแข็งมิยอมให้เคลื่อนไหวไปไหนภายในกองทัพได้เหมือนแต่ก่อนและตกอยู่ในสายตาดูแลของทหารทุกขณะมิให้ผู้ใดเข้าไปติดต่อได้อีกเลย ครั้นใกล้อรุณรุ่งแผนศึกก็ดำเนินไปตามที่กำหนดกันไว้แล้วอุปราชพระอนุชาก็กรีธาพลประหนึ่งกระแสน้ำเชี่ยวบุกเข้าประชิดกำแพงเมืองทุกด้านของนครปัญจาละที่อักขัรุษใช้เป็นป้อมปราการทําศึกรบประทะยันอยู่การสู้รบได้ดำเนินไปอย่างดุเดือด ลหิตน้องเจิงไปทั่วทุ่งรอบบริเวณคูเมืองเนื่องจากชัยภูมิที่เหนือกว่าแม้กาลังจะน้อยแต่ทหารของอัคนิรุษก็ทำการรบได้อย่างเข้มแข็งจัดเจนกว่ากองทัพใหญ่ของอุปราชชัยสุริยาได้สูญเสียล้มตายไปเป็นจำนวนมากและไม่สามารถจะหักเอานครได้ตกตะวันสาย ประตูเมืองทั้งสามด้านของปัญจาละก็เปิดออกกองทัพม้าของอัคนิรุธพุ่งออกมาประหนึ่งพายุพระการบุกทะลวงเข้ารุกไล่โจมตีกองทัพของชัยสุยาพร้อมกำหนดทหารของพระอนุชาล้มตายประหนึ่งใบไม้ร่วงเมื่อทัพม้าของอัคนิรุธรุกไล่ออกมาจึงเริ่มถอยตามแผนที่กำหนดไว้ทันทีททีเป็นแตกทัพกระจัดกระจาย หอยร่นไปทางทิวเขาวงพระจันทร์อันพระเชษฐาธิราชวางกำลังรอคอยอยู่ก่อนแล้วด้วยกองทัพม้าอันเกลียงไกรที่บุกตะลุยกระนำไล่ฆ่าฟันฝ่ายทหารของอุปราชพระอนุชาออกมาอักคณิรุษตกอยู่ในสภาพเหมือนบ้าคลั่งโดยไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งเสียได้สั่งให้ทหารไล่ตามขยี้ไม่ละลดและในที่สุดก็ถ ล, ล่มกน เข้าสู่กับที่ดักเอาไว้แล้วกองทัพใหญ่อีกส่วนหนึ่งมีกำลังมากมายกว่ากองทัพที่เข้าไปเป็นฝ่ายล่อก็โอบเป็นรูปปีกกาเข้ามาการรบพุ่งจึงเป็นการตะลุมบอลมืดฟ้ามัวดินไปหมดด้วยฝุ่นทุลีและกระเซ็นโลหิตอคเิรุตเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วโดวยนำกำลังส่วนใหญ่ของตนเข้ามาอยู่กลางที่ล้อม ซึ่งมีไพร่พลเหนือกว่าถึงสิบเท่าจอมกษัตริย์มหิติเดชะประทับอยู่บนคชสารทรงประกาศกล้องให้ล้อมจับอัคนิรุธให้ได้ไม่ว่าเป็นหรือตายและให้ทหารนับหมืน่นเตรียมธนูรอคอยอยู่ก่อนแล้วระดมยิงธนูไปยังกองทัพมาของอัคนิรุธโดยให้ยิงทำลายม้าสึกอันเป็นกำลังก้าว แกงก้าวสำคัญของฝ่ายปัญจาละเพื่อให้ล้มลงวาระนั้นกองทัพม้าของปัญจาละได้ถูกรุมล้อมเข็นฆ่าล้มตายลงเป็นอันมากถึงกว่าครึ่งของจำนวนและอัคนิรุธกำลังอยู่ในสภาพเพียงพราเพราะหลงกลจะตีหักฟากลับเข้าเมืองก็ถูกกำลังของกองทัพใหญ่สกัดกั้นไวหลายชั้นอันว่าอัคนิรุธนั้น เป็นที่ปรากฏรู้ทั่วกันทั้งปัตตภีว่ามูทะลุบ้าดีเดือดยิ่งนักเมื่อระหนักแน่ว่าหลงกลศึกก็ยิ่งบ้าเลือดทำการสับประยุทธ์ต่อไปโดยไม่คำหนึ่งถึงชีวิตและแทนที่จะย้อนกลับหนีเข้าเมืองกลับบุกตะลุยเข้าหาใจกลางกองทัพใหญ่ซึ่งขณะนั้นกษัตริย์มหิธิเดชะกำลังไล่ช้างทรงตอนไรรพลบุกระนาเข้ามา พร้อมทั้งทรงแผดสิงหานาฏบงการให้ทหารของพระองค์เร่งเข้าเข้นฆ่าทำลายล้างให้สินส้นซากขณะที่รถตะลุยอยู่กลางศึกเพ่นผลอัดสะดรมุ่งตรงสวนเข้ามันนั่นเองก ร, ริย์ดนมแห่งปัญจาละก็เหลือไปเห็นผู้ลุกรานทรงช้างอยู่กลางศึกจึงขับม้าศึกพกผลเฉียดเข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็วปานจักผันนาวขันธนูปลอยดอกสร เกินกว่าที่ผู้ใดจะหยุดยั้งไว้ได้พุ่งเข้าเสียบซอกพระศอเหนือบริเวณเกราะของจอมกษัตริย์มหิตที่เดชะฝูพระองค์ลงคาคอคจสารในวาระนั่นเองอัคนิรุธนั้นภายหลังเมื่อยิงธนูต้ององค์จอมกษัตริย์แล้วก็นำทัพมาที่ยังเหลืออยู่ตีหัก อ, อกทางปีกซ้ายของวงลอง้อมมุ่งเข้าป่าทึบเชิงเขา โดยไม่มีผู้ใดบังอาจสกัดกั้นขวางหน้าเพราะฝีมือรถที่แกล่งกล้าเกินกว่าผู้ใดจะต้านรับไวได้ทางด้านกองทัพใหญ่ของนิทรานครเมื่อเห็นจอมกษัตริย์ผู้นำทัพต้องธนูอักคนิรุษซบคาคอคชสารไปกระตาก็บังเกิดความเสียขวัญโอลมมนคุมกันไม่ติดเกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นทั้งทัพใหญ่ ไม่อาจทำการรบรุกล่ายต่อไปได้ถนัดเพราะขุนพลจอมศึกทั้งมวลก็ล้วนแต่หวงองค์กษัตริย์ผู้ตลอดทั้งพระชนชีพไม่เคยเสียทีแก่ค่าศึกใดเลยต่างพากันมากันเอาคะสารส่งไว้และนำถอยห่างออกมาท่ามกลางการไรล้อมมิได้คิดที่จะต่อสู้ต่อไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พลเดินเท้าของปัญจาล ได้พรังพรูออกจากประตูเมืองติดตามอักคณิรุธมาตรงเข้าต่อตีรุกรบโกลาหนเพื่อจะช่วยกระยับนมฝ่ายตนเช่นกันการได้เป็นที่ปรากฏต่อมาว่าการยึดเหนือหุบเขาครึ่งวงพระจันทร์จำต้องยุติลมโดยต่างฝ่ายต่างกลับเข้าที่ตั้งของตนอักคณิรุธเสียกองทัพมาสามในสี่ส่วน มุ่งกลับเข้าประตูเมืองได้มิตรานครยาทับชั่วคราวนำกษัตริย์มหิทธิเดชะกลับเข้าค่ายพักพนพระอาการของจอมกษัตริย์หนักมากเพราะธนูเสียบคาซอกพระศอปลายธนูฝังอยู่ด้านในมิได้ทะลุปโผล่ออกมายังอีกด้านหนึ่งขุนศึกอธิราชทุกองค์เฝ้าล้อมดูพระอาการอยู่ พร้อมด้วยพระอนุชาชัยสุริยาและยามนั้นมกุฎราชกุมารีจิตราคนากก็หักทหารที่คุ้งขังกักกันไว้ทรงม้าทลาเขกา็มาหาพระชนกนาถผู้กำลังเจ็บหนักผูเขาารงกอดไว้พร้อมทั้งพิลาบให้ปิมว่าอัศุชนจะเป็นสายเลือดครั้นยิ่งมาทรงซาภายหลังว่าธนูที่ต้องพระสอ เป็นธนูของอัคนิรุธเองก็ยิ่งเสียพระไทยเหลือที่จะกล่าวชั่วไม่นานในอ้อมกอดของพระราชธิดาจอมกษัตริย์มหิตธิเดชาก็สิ้นพระชนโดยไม่อาจรัดสั่งเสียพระราชธิดาหรือผู้ใดที่ห้อมล้อมอยู่ในขณะนั้นได้แม้แต่คำเดียว จิตรางขนางประกาศก้องสาบแช่งพระเจ้าอาและขุนศึกทั้งปวงที่กีดกันก้นกักขังพระองค์ไวาจากศึกใหญ่ครั้งสำคัญโดยตรัส บ, บริภาคว่าแม้เธอไม่ถูกควบคุมกักขังพระราชบิดาก็คงไม่ต้องคมธนูของศัตรูสิ้นพระชนชีพลงอย่างที่ทุกคนเห็นไม่มีผู้ใดเลยที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองพระราชบิดาไวได้ ทั้งที่มีไพรพลเห็นเฝ้าแหนพร้อมนับหมื่นกรับด้วยฟามขัางแค้นน้อยพระไทยดังนั้นแล้วเธอก็ถึงแก่การวิสัญยีภาพสลบแน่นิ่งทับพระสบของพระราชบิดาทุกสิ่งทุกอย่างชงนักงันอยู่เพียงนั้นชั่วขณะอคคณิรุธยังคงคุมเชิงรักษาพระนครมั่น โดยมิได้ส่งทหารออกมาอีกเลยเพียงแต่สรงรีตมาลาออกมาถวายบังคมพระศพพร้อมทั้งสารข้อความเพียงสั้นๆว่ามิได้มีเจตนาจะสังหารปรงพระชนมหิตที่เดชะเลยที่ยิงธนูออกไปก็เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอุปราชชัยสุวิยาด้วยกองทัพนิทรานครก็ตั้งค่ายสงบคุมเชิงอยู่ในที่มั่นของตน สารนั้นถึงองค์มกุฏราชกุมารีจิตรางคนางโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางด้านกองทัพใหญ่ก็มีว่าอุปราชพระอนุชาและอธิราชขุนศึกทั้งมวลระหนักดีว่าพิบัติภัยย่อมจะมาถึงพวกตนแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากแม้จิตรางคนางฟื้นคืนสติเมื่อใด พวกตนย่อมถูกอำนาจของมากราชกุมารีเอาโทษผิดถึงขั้นประหารเมื่อ น, นั้นจึงพร้อมใจกันยึดอำนาจปฏิวัติซ้อนขึ้นในทันทีจับกุมคุมองค์จิตรางขนางไว้ในฉับพลันพระเจ้าอาชัยสุริยาสถาปนาตนกลางกองทัพเป็นกษัตริย์สืบแทนพระเชษฐากุมอำนาจสิทธิ์ขา ราชปุโรหิตมันไรนั้นสุดแสนที่จะสงสารองค์มกุตราชกุมารีแต่ก็มีอาจที่จะถวายการช่วยเหลืออย่างใดไ ด, ได้ในขณะนั้นท่ามกลางคมอาวุธนับหมืน่นที่แวดล้อมรอบกายอยู่จึงได้แต่สงบนิ่งเฉยดูท่าทีด้วยจิตใจที่ห่วงกังวลต่อพระราชธิดาผู้ถูกคว่ำบรลลังกลางศึกนั่นเองเ้ารอ รออยู่ว่าได้โอกาสเมื่อใดก็จะกอบกู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาให้กองทัพใหญ่ยังไม่ได้ถอยกลับในทันทีนั้นคงตั้งประจันหน้าอยู่คุ้มเชิงอยู่ณนะที่ตั้งแหล่งเดิมสองทิวาการต่อมามีดอกธนูผูกสายยิงออกมาจากค่ายคูหอรบของฝ่ายปัญจาละ ซึ่งพอจะสืบทราบกระแสะความในที่เกิดขึ้นในกองทัพนิทรานครแล้วเป็นสารของอักคนิรุธขออัญเชิญท้าทายให้อุปราชช้ยสุริยาผู้มีอำนาจเต็มในกองทัพออกมาทำการรบกันตัวต่อตัวกลางยุทธภูมิด้วยอาวุธทุกชนิดสุดแต่ทางอุปราชช้ยสุริยาจัถนักไม่มีคำตอบจากช้ยสุริยา ไม่มีการรับคำท้านอกจากล้อมสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นในสภาพของเฉลยหรือนักโทษจิตรางกนางได้ขอพบกับพระเจ้าอาขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายยอมสละราชบัลลังก์ให้โดยดีไม่คิดมักใหญ่ไฟสูงใดๆอีกแต่จะขอโอกาสไปเผชิญหน้ากับอัคนิรุธแทน ขอให้พระเจ้าอาจงอนุญาตเถิดไม่มีคำปฏิเสธหรือทักท้วงใดๆจากพระบิดตุลาผู้ทอระยศเมื่อถูกขอร้องเช่นนั้นมาศึกฝีเท้าดีหนึ่งตัวพร้อมเครื่องสงครามก็ถูกจัดหามาให้พร้อมด้วยอาการยิ้มเยาะอาดีตมากุฎราชกุมารีผู้บัตดนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว นอกจากความเป็นบุตรีของบิดาที่ถูกชายคนรักฆ่าตายก็เพ่นขึ้นหลังม้าตัวนั้นควบห่อตรงรีเข้าสู่เชิงเทินทวารบุตรของนครปัญจาละทันทีการได้มาปรากฏรู้กันต่อไปภายหลังว่าเธอได้ยิงธนูผูกสารถึงอัคนิรุษสารนั้นกล่าวว่า ในกองทัพของสหราชาอาณาจักรที่รายล้อมปัญจาละอยู่ทั้งหมดในขณะนี้ไม่มีผู้ใดหรอกที่จะบังอาจออกมาสู้รบต่อหน้าตัวต่อตัวกับอัคนิรุธได้ถ้าจะมีก็มีจิตรางคนางผู้สูญเสียพระบิดาไปเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าอัคนิรุธจะเป็นบุรุษชาตินักรบโดยแท้จริง ก็ขอให้ออกมาปราอาวุธกันตัวต่อตัวเธอและอย่าได้คิดว่าเธอคืออิสตรีอีกเลยและถ้าขาดก็เชิญหลบหัวอยู่ในนครต่อไปเธอจะเป็นฝ่ายปีนข่ายขึ้นไปเองแม้จะถูกอาวุธของทหารเลวที่รุมกันประดังเข้ามาก็จะได้ปรากฏนามไว้ให้โลกรู้มิชามินานของคำท้า อันกอบไปด้วยข้อความเทียดแค้นยามหยันนั้นมาศึกตัวหนึ่งก็เยาะย่างออกมาจากประตูเมืองอัคนิรุธอยู่บนหลังมาตัวนั้นขับรงเข้ามาหานางเป็นที่รู้กันภายหลังอีกเช่นกันว่าเขาออกมาโดยไม่ได้มีอาวุธใดติดตัวมาด้วยเลยไม่มีแม้แต่มีดสั้นสักเล่ม ทหารของทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นกันในระยะไกลของการประชิญหน้ากันคงมีการเจราจาอะไรกันบางสิ่งบางอย่างระหว่างสตรีสาวในชุดออกศึกอาวุธพร้อมและบุรุษผู้นั้นทุกคนเห็นว่าอคคนิรุธได้ลงจากหลังม้าอย่างสงบและยืนเด่นอยู่กลางพื้นปัทพีส่วนจิตราคณางก็ชักมาร พกผลเงือดเงื้อหอกอยู่หลายครั้งในที่สุดก็ปาหอกลงไปปักอยู่เบื้องหน้าของอัคนิรุธแล้วก็ชักม้าหันกลับควบอย่างรวดเร็วกลับมายังค่ายด้วยพระพักที่ซีดสลดคลอซึงไปด้วยหยาดอัดสุชนเมื่อกลับมาถึงค่าย ท่ามกลางการยิ้มยันและสอบถามของพระเจ้าอาเธอไม่ได้โต้อตอบคำใดทั้งสิ้นก้มหน้าเดินอย่างสงบเข้าสู่การควบคุมตามเดิมมันไตรเป็นผู้เชิญเสด็จและเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยปลอบโยนและกระซิบบอกความในให้ว่าก็ให้รอกลับไปให้ถึงอาณาจักรก่อนเถอะมันไตรมีอิทธิพลอำนาจ พอที่จะเอาราชบัลลังก์กลับคืนมาให้ได้มิพักต้องกังวลหรอกเราขอบใจมากมันไตรยามนี้สิ้นพระราชบิดาแล้วเราก็เห็นท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วหัวใจของเราก็แหลกสลายหมดสิ้นแล้วเช่นกัน เจ้าหญิงผู้น่าสงสารได้กระซิบกับมันไรเช่นนั้นแล้วก็หน้าอนานะันหนักนักราตรีดังกล่าวนั่นเองเราได้สัญญากันเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะดำเนินแผนการอย่างใดต่อไปอันเป็นความหวังของอนาคตเบื้องหน้าซึ่งก็มองเห็นทางสำเร็จอยู่จิตรางคณาง องค์ทรงเสวยยาพิษร้ายแรงที่ทรงมีแอบซ่อนอยู่ในพระธรรมรงค์อยู่ก่อนแล้วสิ้นพระชนหนีจากมันไรไปโดยที่มันไรมิทันที่จะสกัดกัน้นป้องกันไว้ได้ทันกลายมาเป็นความเศร้าสลดรันทดใจผิดหวังอย่างรุนแรงของปุโรหิตมันไรผู้แสนรักพักดีจากนั้นมาจนตราบปัจจุบัน และนี่คือเรื่องราวความเป็นมาแห่งจิตรางคนาเทวีที่มันไตรเฝ้ารอคอยมาหลายชาติหลายภพขอให้พระองค์ได้ทรงทราบไว้ด้วยเถิดมันไตรไม่ได้บทมดเ็รแต่ประการใดทั้งสิ้นพระองค์เสียพระไทยในเรื่องของพระราชบิดาพระองค์ผิดหวังจากชายคนรัก พระองค์ถูกทรยศหักหลังจากพระเจ้าอาแล้วผลที่สุดพระองค์ก็ผิดสัต์สัญญาที่ให้ไว้กับมันไรผู้นี้พระผมไมเหตุแห่งการเป็นมาในอดีตการซึ่งมันไรเป็นผู้พันนาให้ฟังจะมีข้อเท็จจริงอยู่เพียงไรก็ตามมันก็ทำให้ดารินวราริศต้องนั่งซึมไปด้วยความรู้สึก อันไม่อาจากล่าวได้ถูกหลอนมีความรู้สึกเฉพาะณบัดนี้ว่าตัวหล่อนเองมีความสนิทสนมใกล้ชิดผูกพันอยู่กับราชปุโรหิตมันไรอย่างแน่นแฟนยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในด้านสเสน่หาก็ตามหลอนมองดูร่างนั้นประดุดเพื่อนเก่าหมดสิ้นความกลิ่งเกรงใดๆโดยสิ้นเชิงประหนึ่งว่าจะคุ้นเคยกันมาอย่างดีที่สุด มันไกลหญิงสาวกล่าวขึ้นแผ่วเบานำเสียงจริงจังขึ้นไหนๆท่านก็ได้เล่าความเป็นมาแต่ต้นถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้เล่าต่อไปให้ตลอดในสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยเถิดท่านคงจะไม่ปิดบางเราไม่ใช่เหรอทรงใบหน้าประดุดหินนั้นค่อยๆเอี้ยวหันมาทางหล่อนช้าๆ แสงไฟอันน้อยนิดในกองศาสจับเซี่ยวหนึ่งและประหนึ่งทราบอันมีชีวิตจริงเพียงแต่ทรงใบหน้าของอดีตนักรบระดับขุนศึกที่เฮียมหานทะมืนถึนเท่านั้นและภายใต้คาวหน้านั้นหล่อนดูเหมือนจะเห็นเงาของนักบวชโลนแฝงซ้อนทับเป็นเงาอยู่จิตรางขนาน พระองค์อยากจะทราบเรื่องราวอันใดก็รับสั่งถามมาทถิดพระเจ้าค่ะมันไทรจะให้ความกระจ่างในทุกข้อความเท่าที่มันไรรล่วงรู้ได้ดารินลูกฝ่ามืออันเฉียบเย็นเข้าหากันมันไทรเหตุการณ์ในครั้งนั้นบิดาเราต้องธนูอักคณิรุธกลางศึก อาเราขบฏกลางศึกยึดอำนาจตัวเราเองภายหลังจากท้าอักคนนรุธออกมาสู้รบแล้วเราก็ไม่อาจจะฆ่าเขาได้เพราะเขาออกมาพบเราโดยปราศจากอาวุธเหมือนจะยินยอมให้เราสังหารเพื่อให้สมแค้นซึ่งในที่สุดเราก็กลับเข้ามาสู่การตักกันคุมขังเป็นเฉลยของอาเราตามเดิมแล้วเราก็ดื่มยาพิษตายไปณนะราตรีนั้นหลังจากนั้น เรื่องราวได้ดำเนินต่อไปอยังไงอีกนะ่ะเราอยากฟังเล่าต่อไปสิจิตรางคนางเมื่อพระเจ้ามาหิธิเดชะและจิตรางคนางได้สิ้นประชนลงด้วยกันทั้งคู่ในกลางศึกสงครามเช่นนั้นการก็ดูจะดำเนินไปตามพระประสงค์อันแอบแฝงซ่อนเร้นมานาน ของพระอนุชาอุป ร, ราชชัยสุยาเพราะปราศ จ, จากเสี้ยนน้ำทางราชบัลลังแล้วมีพักต้องวางแผนการออกแรงใดๆทั้งสิน้นเหล่าขุนศึกอธิราชเสนาข้าราชบริพารทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนก็ยังมีจิตแบ่ง ก, กันออกเป็นสองฝักสองฝาา่งฝายก็มาถึงซึ่งการยุดติข้อขัดแย้งในวาระนั้นทันที ด้พิจารณาเห็นแล้วว่าหามีผู้ใดจะขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชแทนพระมหากษัตริย์องค์เดิมหรือราชะกุมารีจิตรางขนางได้จึงพร้อมใจกันสาวสวามิพักต่อกษัตริย์ชัยสุริยากันหมดสิ้นพระเจ้าค่ะแม่แต่ตัวท่านเองอยังงั้นเหรอมันไรใช่แล้วจิตรางขนาง มันไรไม่มีทางเลือกอื่นใดในยามนั้นเพราะที่หวังทั้งมวลก็สลายพินพังไปหมดสิ้นแล้วทว่าความแค้นความพยายามบาศของมันไรยังไม่หมดสิ้นไปเป็นความแค้นที่จะกระทําทดแทนให้กับยอดหญิงอันเป็นที่รักนั้นทว่ายามนั้นจําต้องสงบนิ่งไว้ก่อนไม่อาจจะกระทําการใดๆลงไปได้โดยฉับพลัน มันไตรเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถือว่าอุปราชัยสุยาทรยศต่อพระเชษฐาธิราชขบวตบอมกุฎราชกุมารีผู้นั่งบัณลังและเป็นบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งที่ทำให้มันไตรต้องผิดหวังและแม้มิทางตรงก็ทางอ้อมมันไตรขณะนั้นสงครามระหว่างนิทรานครและปัญจาละ ยังปประจันหน้ากันอยู่ไม่ใช่เหรอพระเจ้าค่ะท่ามกลางความสูญเสียอยิ่งใหญ่งนกรนครซึ่งมีพระสบของมฮิทิเดชะและจิตราคนางอยู่กลางกองทัพกษัตริย์ชัยสุริยาก็ไม่ได้คิดที่จะทำศึกต่อไปเพราะพระอุปนิสัยใจคอส่วนพระองค์นั้นหาได้เข้มแข็งรักในการศึกสงครามไม่ ออกจะมีความขาดซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกเสดวยซ้ ำ, ำ, ำอย่าว่าแต่จะเทียบเท่าใกล้เคียงพระเชษฐามมฮิธิเดชะผู้เป็นนักรถต้องยิ่งใหญ่เลยแม้จิตร้างขนางผู้เคยรั้งบรรลังสืบแทนพระบิดาก็ยังมีความกล้าหาญเฉียบขาดเสยิ่งกว่าดังนั้นเมื่อสิ้นทั้งสองพระองค์ลงแล้ว เสมือนเหตุการณ์เข้าช่วยชัยสุริยาโดยทางอ้อมอีกประการหนึ่งก็คงเล็งเห็นแล้วว่าแม้จะทันศึกต่อก็คงไม่อาจที่จะเอาชนะอัคนิรุษได้มีก็แต่จะสิ้นเปลืองไพรผนขึ้นไปทุกวันชัยสุริยาดึโอกานั้นประกาศยาศึกับนครปัญจาละเพียงแค่ในวันรุ่งขึ้น ที่ได้ประ จ, กจกักษ์ว่ามากุฎราช ก, กุมารีทรงดื่มยาพิษประหารพระองค์เองลงแล้วถอยทัพกลับคืนอาณาจากักรมิธรนครทันทีโดยอัญเชิญสองกระสบพ่อลูกแช่ลงในอ่างน้ำพื่เพื่อ น, นำกลับมาประดิษฐานไว้ยังสุสานแห่งราชวงศ์และนับแต่นั้นมานาครปัญจาลของอัคนิรุธก็เป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่ในขันทศีมาของนิทรานครอีกต่อไปและก็มิได้มีการศึกสงครามใดๆระหว่างสองอาณาจักรนีเกิดขึ้นอีกเลยต่างคนต่างฝ่ายก็ต่างอยู่นิทรานครคงยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนเดิมเพียงแต่ตัดขาดนาครปัญจาละออกไปจากเครือสหราชาอาณาจักรปัญจาละได้รับการปลดแอกโดยปริยาย ไม่มีการกระทบกระทั่งสู้รบหรือระราราวีอย่างใดต่อกันอีกเลยเออแล้วอักขณิรุธรู้หรือเปล่าว่าเราดื่มยาพิษฆ่าตนเองแล้วดารินถามต่อไปนะระว่างศึกยังประจันหนะ้าอักขณิรุธยังหาทราบไหม ว่าจิตรางคขนางได้สิ้นพระชนลงแล้วด้วยการตรงพระชนพระองค์งเองและเมื่อกษัตริย์ใช้สุวิยายาซึกเคลื่อนทัพใหญ่ถอยพระจากการลอ้อมก็ปล่อยให้ถอยทัพไปโดยสงบไม่ได้ติดตามต่อตีหรือดักซุ่มโจมตีอย่างใดเลยคงรักษาพระนครตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นอคคณิรุธมาทราบข่าวการสิ้นพระชนโดยการดื่มยาพิษ ภายหลังเมื่อกองทัพนิตรานครกลับมาถึงอาณาจักรแล้วแล้วเ้าปฏิบัติยังไงล่ะหลังจากนั้นดารินซักเร็วปรือต่อมามันไรคลงสีสันใหญ่โตช้าๆอีกครั้งเรื่องราวภายในของนครปัญจาละและองค์อคคิรุธเองภายหลังจากนั้นแล้ว มันไรไม่อาจทราบได้โดยละเอียดผีท่วนหนักเพราะหลังจากนั้นนครปัญจาละก็เป็นนครปิดมิได้มีสัมพันธ์ํรรมยตรีเกี่ยวข้องกับอาณาจากักรใดอีกทั้งสิ้นคงปกครองตอนเองอย่างโดดเดี่ยวโดยความสงบมาตลอดแต่เท่าที่มันไรพอจะสืบทราบได้ต่อมานั้นอัคนิรุธโทมนัสพระไัยเป็นพันมากที่จิตรางคนางปรงพระชนตนเอง ภายหลังจากที่ได้พบกันตามลำพังหน้าเชิงเทินเมื่อยามสายยังระยะเวลาห่างกันเพียงแค่ไม่กี่โมงยามและจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่ากรัร์อัคนิรุษธจะทำการเสกสมรสกับสตรีหรือเจ้าหญิงแห่งแวนแคว้นว น, ว น, นครใดเลยคงครอ ง, องตัวเป็นสูตรมาดูตลอดแล้วก็มิได้มีความคิดที่จะยกคนเข้ามาทาศึกกับนิทรานครอีกเลย แต่ก็ได้มีเหตุการณ์อันฝ่ายนิทรานครไมิได้คาดคิดไปถึงอยู่ครั้งหนึ่งคือประมาณหนึ่งเดือนเศษต่อมาประสบของจิตกลางทนางที่อาบยาไว้ในสุสานแห่งราชวงศ์โดยสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยถูกลักขโมยพาไปโดยฝ่ายนิทรานครมิอาจสืบทราบได้เป็นที่เล่าลือสงสัยกัน ว่าอักขณิรุธได้ปลอมแปลงพระองค์มาพร้อมกับทหารคู่พระไทยเพียงไม่กี่คนทำการลักพาพระสพของจิตรางคนางนำไปยังนครปัญจาละและเมื่อพระสพของเจ้าหญิงได้หายไปอย่างลึกลับแล้วกษัตริย์ชายสุริยาก็มิได้ใส่พระไทยอะไรอีกไม่ได้ทำการติดตามสืบหาใดๆทั้งสิน้นเพราะก็ดูเหมือนจะตร น, นักได้เช่นกันว่า อัคนิรุธเป็นผู้ลักลอบมาขโมยพระศพไปอย่างอุกอาจการมาขโมยพระศพของจิตรางคนางของอัคนิรุธครั้งนั้นไม่ลอบบุกขึ้นไปจนถึงมหาปราศาสตร์ของกษัตริย์ชัยสุริยาแล้วตัดพระเศียรซะก็นับว่าเป็นบุญแล้วดารินเม้มริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอซึมมันใจ เราขอย้อนหลังอีกสักนิดเถอะนะระหว่างศึกประจันหน้าและพระราชบิดาของเราถูกธนูอักคนิรุธสิ้นประชนทรัมพระเจ้าอาของเราฉวยโอกาสตอนนั้นยึดราชบัลลังก์กลางศึกและจับเราเป็นฉเฉลยอักคเนรุธพอจะทราบความในที่เกิดขึ้นภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามหรือไม่จิตกลางคานาง เรื่องนี้สุดที่มันไกลจะเดาความได้เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วหรือเกินผู้ที่จะทราบดีในเรื่องนี้ก็คือพระองค์เองและอัคคณิรุธเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ขับม้าศึกออกไปทาร ก, กับอัคคณิรุธแล้วอัคคณิรุธก็ออกมาพบประจันหน้ากันมีการสนทนาโต้ตอบกันพระองค์เองในขณะนั้น จะบอกสถานะของตนเองให้อกคนิรุธทราบหรือไม่ไม่มีผู้ใดบอกได้แต่พระองค์ก็เสด็จไปเผชิญหน้าด้วยความเกลียวกราดโทสะหวังที่จะประอาวุธแก้แค้นให้แก่พระราชบิดาประการเดียวพระองค์ไม่อาจบอกความในเรื่องที่พระเจ้าอาได้ทำการยึดอำนาจในกองทัพไว้แล้วก็ได้ ดารินรีตาลงพยายามจะมองภาพย้อนหลังอันมืดมิดกล่าวเหมือนรำพึงว่าเราคิดว่าตอนนั้นเราคงไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้อคคิรุธทราบหรอกนะพระศักดิ์ศรีเราก็มีอยู่อีกประการหนึ่งก็เป็นคู่แค้นคู่สงครามทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเหมือนน้ำท่วมปากไปหมดแต่เราก็เชื่อเหลือเกินว่า ถ้าแม้เราบอกว่าอัคนิรุธถ้าแม้เราบอกอัคนิรุธ ถ, ถึงความจริงว่าพระเจ้าอาของเราทรยศ์กลางศึกและตัวเราเองก็มีฐานะเปรียบเสมือนเฉลยไปแล้วเช่นนั้นอคนิรุธก็คงจะต้องยึดตัวเราไว้จนได้เพราะถึงเราจะมีฝีมือในการรบสักเพียงไหนก็คงจะเทียบเขาไม่ได้หรอกแล้วอคนิรุธก็คงจะเอาเราไวพร้อมทั้งเปิดศึกใหญ่กับพระเจ้าอาต่อไป เขาคงไม่ปล่อยให้เรากลับไปตายอย่างที่ท่านคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันไรก็อาจเป็นไปอย่างที่พระองค์ปราบพระเจ้าค่ะเพราะมิฉะนั้นฉไหนเลยเมื่อพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วเขาก็ยังบุกเข้ามาอัญเชิญพระศพไปเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ที่ท่านเล่ามานี่มันก็ล้วนเกิดมาแต่กรรมทั้งนั้นเลยนะมันไร จึงบันดาลให้มามีเหตุบดบังดวงตาของทุกฝ่ายไว้มีเหตุแห่งการเข้าใจผิดเป็นโยงใยเกี่ยวข้องพัวพันกันไปหมดทีนี้มาว่ากันถึงนิทรานครภายหลังจากถัดเปลี่ยนราชบัลลังก์กลายเป็นอุปราชพระอนุชาได้ขึ้นครองราชแทนเรื่องราวต่อไปมันดำเนินต่อไปยังไงละ่ะมันไตรลองเล่าต่อไปได้ไหม จิตรงคนาเมื่อกษัตริย์ชัยสุริยาได้ครองราชเหตุการณ์ก็สงบลงไปช่วระยะเวลาหนึง่งพระชัยสุริยาทนระงเบื่อสงครามมานานแล้วแผ่นดินสงบสุขพอสมควรแล้วก็เช่นเดียวกับสมัยที่พระเชษฐาครองราชอยู่กล่าวคือกษัตริย์ชัยสุริยามีพระราชธิดาเช่นกันพระองค์หนึ่งก็ คือพันธุมวดีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราอะ่ะใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าค่ะสิบขัวปีให้หลังพันธุมวดีได้เจริญเติเตบโตขึ้นเป็นสาวสะพั่งเช่น<ช>เดียวกับพระเชษฐภ<ช>ักคินีอันเป็นลูกผู้พี่แต่ความงามน่ะ ด, ดอยกว่ามากนะักอีกทั้งยังเป็นสตรีแท้ ไม่ได้รับการฝึกปรืออบรมร่ำเรียนมาในทางศึกสงครามใดๆเลยทรงเป็นเอตะทักคะแต่ทางหน้าตสิ์ร่ำฟอนถึงกระนั้นพระราชบิดาก็ยังทรงสถาปนาขึ้นเป็นมากราชากุมารีผู้รังบัลลังสืกแทนพระองค์โดยมีขุนศึกวรมันเป็นเสมือนพี่เลี้ยงส่วนราชปุโรหิตมันไรเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน